เวลาคนต่างประเทศนะั้นมาเรียนกรรมฐานในเมืองไทยนะจะงงมากเพราะไม่มีกรรมฐานให้เรียนเยอะเหลือเกินเนีย่ยแต่คนต่างประเทศในะคนไทยยังงงเลยทุกสำนักก็บอกว่าของตัวเองเนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือ น, น, น, นกันหมดนะ่ะอ้างพุทธวัจนะได้ใครก็อ้างได้ บางทีพูดประโยคเดียวกันเลยแต่เวลาลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยดำเนินจิตไม่เหมือนกันภาษาพูดบางทีเหมือนกันแล้วนั่นเรียนยากมากเลยคนสองคนพูดอ้างมหาสติปัฏฐานเหมือนกันทุกให้รู้สมุทัยให้ล ะ, ละบางทีก็พูดนะอริยสัจรู้ ก, กายในกายเวทนาในเวทนานะพูด เหมือนกันหมดแต่ลงมือทาจริงไม่เผลอก็เพ่งเพราะอะไรทาไมพลาดไม่เคยเรียนเรื่องจิตสิกขาก่อนที่จะก้าวไปถึงขั้นการเจริญปัญญานะต้องเรียนเรื่องจิตก่อนเพนั้นบทเรียนที่พุทธเจ้าวางไว้ให้นะมันสมบูรณ์ เรื่องศีลสิกขาเรื่องจิตตสิกขาเรื่องปัญญาสิกขาขาดอันดอันหนึ่งไม่ได้ศีลสิกขาเป็นการปรับกายวาจาให้เรียบรนอยปรับปรุงกายปรับปรุงวาจาไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นจิตตสิกขาเนี่ยเป็นการพัฒนาจิต ให้มีความพร้อมสำหรับการเจริญปัญญาปัญญาศิกขาเป็นการพัฒนาจิตให้รู้ความจริงของรูปนามกายใจเง้ศิลสิขาเนี่ยเป็นส่วนของการปรับปรุงพฤติกรรมทางกายทางวาจาจิตสิกขาและปัญญาศิกขาเป็นการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของจิต ส่วนหนึ่งทำไปเพื่อให้จิตมีพลังมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาอีกส่วนหนึ่งก็คือการเจริญปัญญาเนะงันเวลาเรียนกรรมฐานนะในเมืองไทยมีให้เรียนเยอะมากเลยลผมพบว่าถ้าใครไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตให้ดีแล้วก็พลาดอย่างบางพวกนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วก็นิ่งๆไปเลยเห็นโน้นเห็นนี่ไปนะ เห็นพันิพาณเห็นลูกกงลูกแก้วอะไรตอนไรนั่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเจริญปัญญาเลยจิตมันสร้างขึ้นมามีคนไปถามหลวงปู่ดูลว่าที่เห็นเนี่ยจริงไหมท่านบอกเห็นจริงๆแต่สิ่งที่ถูกเห็นไม่จริงท่านว่าอย่างนี้นะเห็นพันิพาณมีพระพุทธเจ้านั่งอยู่เยอะแยะไม่จริง เพ่นพวกหนึ่งนะทำสมาธิก็ทำผิดผิดเพราะไม่ได้เรียนเรื่องจิตศิษยาก็นั่นงสมาธิอย่างเดียวเลยนั่งแล้วขาดสติจิตใต้สำนึกมันทำงานอยากเห็นอะไรมันก็สร้างขึ้นมาให้เห็นได้สารพัดเลยไม่เห็นอย่างเดียวคือไม่เห็นกิเลสเห็นอย่างอื่นหมดเลยบางทีก็เห็นถูกนะทีก็เห็นผิด อีกพวกหนึ่งนะไม่เอาสมาธิเลยไม่เรียนจิตสิกขาเหมือนกันนะพวกหนึ่งทำสมาธิแต่ไม่ได้เรียนจิตสิกขาจะทำสมาธิผิดประเภทอีกพวกหนึ่งก็คือพวกไม่เอาเลยไม่เอาสมาธิเลยมีหลายแบบบางแห่งก็ใช้การคิดพิจารณาเลยนะคิดร่างกายเป็นไตรลักษณ์อะไรเงี้ยคิดอยู่เนี่ยนะคิดคิดคิดแ้ใจมันสงบได้นะ แ, แค่คิดว่าตรงนี้เป็นการเจริญปัญญามันพลาดตรงนี้ตรงที่คิดว่าเจริญปัญญาพราะจิตสงบเลยคิดว่าเป็นมักผลนี่มาเนะีนะ่ยครูบาอาจารย์ท่านตำหนิตีเตียนมากเลยนะบางทีนะ่ใช้การคิดพิจรารณาไม่ทำสมาธนะิคิดอย่างเดียวอีกพวกหนึ่งนะก็ไม่ได้ฝึกสมาธิอะไรก็กำหนดเลย กำหนดรูปกำหนดนามไปเรื่อยบริกรรมซ้ำลงไปเรื่อยทำวิปัสนาดูท้องพองท้องยุบยกเท้ายัาง่งเท้ากำหนดลงไปกาหนดลงไปมันคือการจ้องจ้องลงไปที่ท้องจ้องลงไปที่เท้าคือสมถะทั้งหมดเลยไม่ไม่ใช่วิปัสนานะเพราะอะไรเพราะไม่สามารถแยกขันได้จริง จิตกขันไปรวมกันหมดเลยอย่างดูท้องจิตก็รวมเข้ากับท้องดูเท้าจิตก็รวมเข้ากับเท้าะบอกแยกรูปแยกนามแยกรูปนามแบบไหนบ้างรูปยกก็อันหนึ่งรูปย่างก็อันหนึ่งรูปพองก็อันหนึ่งรูปยุบก็อันหนึ่งไอ้นั้นแยกรูปกับรูปไม่ได้แยกรูปกับนามรูปพองรูปยุบนี่รูปกับรูปยกเท้าย่างเท้ารูปกับรูปถ้าแยกรูปกับนามเนียจิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดู รูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้นบางที่ก็พูดประโยคนี้เลยนะรูปเคลื่อนไหวแต่นามเป็นคนรู้สุดท้ายเพ้งหมดเลยเพราะไม่ได้ฝึกสมาธิที่ถูกมาก่อนบางพวกก็ขยับมือทำจังหวะพวกนี้แหละวิปัสนาเวลาจิตหนีไปคิดตัดความคิดทิ้งกลับมาอยู่ที่มือถ้าจิตจะคิดตัดความคิดทิ้งให้อยู่ที่มือ เน้นอยู่ที่จังหวะการที่เอาจิตไปจดจ่ออยู่กับมือมันคือหลักของสมถะหลักของสมถะกรรมฐานเนี่ยง่ายนิดเดียวเลยมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นดูท้องพองท้องยุบอย่างเดียวจิตเป็นหนึ่งไม่หนีไปไหนเลยจ้องอยู่ที่ท้องนี่สมถะขยับมือทำจังหวะให้จิตอยู่กับมือไม่หนีไปไหนเลยอันเนี้ยสมถะนะ แต่ไม่ใช่ว่าสำนักปฏิบัติต่างๆนี่หาความดีไม่ได้เลยไม่ใช่นะที่เขาภาวนาเป็นก็มีนะอย่างส่หลวงพ่อเตียนที่หลวงพ่อเคยเห็นนะที่ท่านภาวนาดีหลวงพ่อคำเขียนนภาวนาดีนั่นที่หลวงพ่อเตียนสอนนี่ถูกนะท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติท่านไม่ได้บอกว่าห้ามคิดเลยนะ ท่านบอกรู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติไม่เคยพูดเลยว่าห้ามคิดหลวงพ่อเรียนจากหลวงปูดุลก็ตรงกันอีกหลวงพูดุลยก็สอนคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ต้องอาศัยคิดขณะที่เราคิดเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาตรงนี้ไม่ต้องคิดให้รู้เอาถ้ามัวแต่คิดว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงตอนนี้จิตเป็นยังไงจะไม่เห็นสภาวะ จะไม่เห็นว่ากําลังสุขกําลังทุกข์กำลังดีกําลังชั่วอะไรจะไม่เห็นนะะังนั้นนะจิตมีหน้าที่คิดก็ให้เขาคิดไปแต่เขาคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้มีสติรู้ทันนะแต่ถ้าจิตนี้ไปคิดเราไม่รู้ว่าคิดเนี่ยมันจะเป็นหลงจิตเราจะหลงเพราะอยู่ในโลกของความคิดเมื่อจิตไปหลงอยู่ในโลกของความคิดแล้วจะไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงสัจจะคือความจริงนั้น อยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ใช่อยู่ในโลกของความคิดงั้นเราต้องปลุกตัวเองให้หลุดออกมาจากโลกของความคิดให้ได้โดยการรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดนะี่ตัวนี้ตัวสำคัญนะไม่ใช่ขยับมือไปเรื่อยเลยนะเวลาจะคิดก็ห้ามคิดนะสุดท้ายก็กลายเป็นหุ่นยนต์สิ่งที่พลาดเนีสิ่งที่ผิดเนี่ยเยอะมากนะงั้นต้องเรียนหลักให้แม่นหลักของศีลเนี่ย อยู่ที่เจตต่างงดเม้นเวลามีโอกาสทำชั่วทางกายทางวาจาก็งดเม็นตซะตั้งใจงดเม็นสะนะหลักของสมาธิที่ถูกต้องก็คือมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยหลักของสมาธิมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นคนดูอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกดูอยู่อย่าให้จิตไหลไปอยู่ในอารมณ์นะ จิตไหลไปอยู่ในอารมณ์จะเป็นสมาธิชนิดที่ถล่าลงไปจ้องอารมณ์เอาไปเดินวิปัสสนาไม่ได้เราจะมาฝึกจิตเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่อารมณ์ถ้าเวลาพักผ่อนก็อารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่นะแล้วเวลาจะเดินปัญญาเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านเลยอารมณ์เคลื่อนไหวเกิดดับนั้นหลักของการปฏิบัตินะมันไม่ได้ยากอะไรสมาธิ มีสองชนิดที่พวกเราจะต้องเปลียนเนี่ยจิตสิกขาเนี่ยจะทําให้เรารู้จักสมาธิสองชนิดครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องนี้นะชัดมากเลยคือหลวงปูปป่เทศหลวงปู่เทศหลวงพ่อก็ไปรูกสิทธ์ท่านเรียนจากท่านเหมือนกันเรียนตอนเป็นโยมนะเรียนตอนเป็นฆราวาสตอนบวชเนี่ยท่านสิ้นไปนานแนละ้ว หลวงพเทศพูดถึงสมาธิสองชนิดอันหนึ่งเนี่ยจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจิตมันเคลื่อนไปอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นเวลาเราดูท้องพองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องเวลาเราขยับมือเนี่ยจิตหนีไปอยู่ที่มือไม่หนีไปที่อื่นเลยจิตไปอยู่ที่มือเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตอยู่กับเท้าไม่หนีไปที่ไหนเลยนี่สมาธิอย่างที่หนึ่งอันนี้จะได้ความสงบเฉย เรียกว่าอารามณูปนิชานอารามะก็คือตัวอารมณ์จิตไปเพ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์สมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนจิตจะมีเรี่ยวมีแรงถ้าไม่มีการพักผ่อนเลยไม่มีแรงสมาธิอย่างที่สองที่ต้องฝึกให้ได้คือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้รู้ ผ, ผ, รผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิอย่างนี้แหละจิตหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัว ทำไงจะเกิดสมาธิอย่างนี้สมาธิอย่างนี้จิตตั้งมั่นเป็นคนดนะูมันตรงข้ามกับจิตที่ไหลไปจิตที่ตั้งมั่นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนไปนะจิตที่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนด้วยอำนาจของโมหะที่เรียกว่าอ ja ุทธัจจะความฟุ้งซ่านนะจิตที่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนด้วยกิเลส ท, ที่ชื่อว่าความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสตระกูลโมหะ ถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะมีกฎของธรรมะที่ว่าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติงั้นไม่ต้องไปห้ามจิตจะคิดก็อย่าไปห้ามมันเพราะอะไรห้ามก็ห้ามไม่ได้จริงหรอกเพราะจิตมันธรรมชาติมันมันคิดนะมันชอบไหลไปนะแต่ว่าถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไป จะไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดไหลไปจ้องอยู่ที่ท้องที่เท้าที่ลมหายใจอะไรก็ตามอ่ถ้ารู้ว่าจิตไหลจิตจะไม่ไหลโดยที่ไม่ต้องบังคับไว้ตัวนี้เป็นหลักการปฏิบัติที่สําคัญมากที่จะทําให้เราได้จิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้เนี่ยคือจิตที่มีสมาธิชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานจิตที่จะเห็นลักขณะคือลักษณะคือเห็นไตรลักษ จิตที่จะเห็นไตรลักษ์ได้จิตมีสมาธิมีสองพวกพวกที่หนึ่งจิตไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์เดียวเรียกอารมณูปนิชานใช้ทำความสงบสามารถเข้าฌานหนึ่ง 6, 7, 8สห้าดดได้อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าลักคนูปนิชานจิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นความเป็นไตรลักษ์ของรูปนามได้ จิตที่ตั้งมั่นตัวนี้ก็สามารถเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดได้นะแล้วบางท่านเนี่ยเข้าสมาบัติที่9้าคือนิโรธสมบัติได้นะส่วนอารมณูป น, นิชฌานเข้านิโรธสมบัติไม่ได้นะเข้าไม่ได้เพราะว่าจิตเคลื่อนแต่นี้ยากไปนะยากไปที่พวกเราจะเรียนก็ไม่จาเป็นรู้แค่ว่าถ้าจิตไหลไปอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิชนิดสงบ ถ้าไหลไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วขาดสติเป็นมิจฉาสมาธิจะเห็นนอนเห็นนี่ไปเลยหลงไปเลยงั้นถ้าไหลไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วก็ยังมีสติรู้ตัวอยู่เป็นสมาธิชนิดสงบแต่ถ้าจิตไม่ไหลจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้เช่นเราขยับมือขยับมือแล้วจิตไหลไปคิดเรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดจิตรู้จะเกิดจิตรู้นี่แหละที่หลวงพ่อเทียนเรียกว่าต้นทางของการปฏิบัติ ถ้าไม่มีจิตรู้จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้จนะวิปัสสนาจะทําไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะจิตจะไหลตลอดเวลาที่จิตรู้กับจิตไหลเนี่ยสภาวะจะแตกต่างกันเวลาที่จิตไหลนั้นมันเหมือนเรายืนอยู่ริมตลิง่งแล้วเราตกลงไปในน้ําน้ําก็พาเราไปสมมุติตกลงไปในยางสีเกียวตกในแม่น้ําำยางสีน้ําก็พาเราไป มีท่อนไม้อยู่ท่อนหนึ่งมันลอยน้ำมามันก็ลอยไปคู่กับเรานะไปด้วยกันเนะเราจะเห็นว่ามันเที่ยงมันไม่ไปไหนเลยมันคงที่อยู่ด้วยกันตลอดไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดงั้นเวลาที่จิตไปจับอยู่ในอารมณ์เดียวนะจะไม่เห็นเกิดดับหรอกจะอยู่ด้วยกันนะเราต้องดูเหมือนเราอยู่บนฝั่งไม่โดดลงไปในแม่น้ำแห่งสี่เราเห็นเรือมาแล้วเรือก็ไป ต้นไม้มาแล้วต้นไม้ก็ไปเห็นสัตว์ตายลอยน้ํามาแล้วเราก็ลอยไปเนี่ยเราเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วไปใจเราเป็นคนดูอยู่บนบกนะเนี่ยเวลาที่เราหัดดูสภาวะนะเราจะดูแบบคนที่ยืนอยู่บนบกแล้วเห็นสิ่งทั้งหลายไหลผ่านไปต่อหน้าต่อตาเห็นความสุขผ่านมาแล้วความสุขก็ไปเห็นความทุกข์ผ่านมาแล้วความทุกข์ก็ไปนะ เห็นความดีผ่านมาแล้วความดีก็ไปเห็นโลภโกรดลงผ่านมาแล้วโลภโกรดลงก็ไปนี่จะเห็นอย่างนี้หรือเหมือนเรายืนอยู่บนตึกยืนอยู่บนตึกแล้วมองลงไปที่ถนนเห็นรถวิ่งมาทางนี้รถวิ่งม า, างนี้รถมาแล้วก็ร้อยก็ไปเราไม่โดดลงไปอยู่กลางถนนถ้าเราโดดลงไปอยู่กลางถนนเราจะดูอะไรไม่รู้เรื่องหรอกเพราะต้องรถมันจะทับเอาเงี่ยเราต้องมาฝึกให้จิตถอนตัวออกมาเป็นคนดู ขึ้นมาอยู่บนบกแล้วเห็นอารมณ์นั้นเคลื่อนผ่านเราไปจิตที่ถอนตัวมาเป็นคนดูได้เนี่ยต้องไม่ไหลไปซะเองงั้นให้เราทำกรรมฐานอย่างหนึง่งขยับมือก็ได้ถ้าเคยขยับมือดูพองยุกก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้กรรมฐานอะไรไม่สำคัญนะสำคัญที่ว่าจิตที่ไปรู้กรรมฐานนั้นมันเป็นยังไงกรรมฐานอะไรไม่สำคัญหรอกแล้วแต่ความถนัดของพวกเราเอง งั้นไม่ใช่ว่าพองยุบดีพุทโธดีหายใจดีนะหรือขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนดีไม่มีอะไรดีที่สุดหรอกนะใครถนัดอะไรก็ใช้อันนั้นแต่แล้วให้รู้ทันจิตไว้เช่นพุทโธพุทโธนะจิตไหลไปให้รู้หนีไปคิดก็รู้หนีไปเพ่งในความว่างก็รู้รู้ลมหายใจจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ ขยับมือจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปจับอยู่ในมือก็รู้รู้ทันจิตถือจะเรียกว่าจิตอสิกขารู้ทันจิตถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัติไม่ต้องรักษานะอย่ารักษาอย่ารักษาตัวรู้ไว้ถ้ารักษาตัวรู้ไว้จะติดสมรถะที่ร้ายแรงอีกชนิดหนึ่งนะแก้ยากเลยแก้กันเป็นปีเลยหลวงพ่อเคยติดมาแล้วอย่างโมโหโลวงพ่อคืนเลยตอนนั้นนะ แต่ น, นั้นเราก็ดูจิตของเราแหละ แ, แต่ดูแล้วจิตมันถลําลงไปดูเพราะเราส่วนใหญ่ก็ยังดูอย่างนั้นเวลาเห็นอารมณ์เกิดดับนะดูไปดูไปจิตเราไหลเข้าไปเคลื่อนไปดูไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนไปดูนี่ตอนนั้นไปพานาวัดหน้าเรือนจํำหลวงืนหลวง่อ ข, นนขืนเป็นพระที่จิตเร็วมากนะจิตไวคนห้าสิบคนนี่มองพราะเดียวรู้หมดเลยจิตใครเป็นยังไง ร, รู้หมดเลย ท่านก็แซวเฮ้ยประโมทภาวนาไงอย่างนั้นภาวนาอะไรงั้นนั่นมันถูกรู้นี่ตัวรู้มันอยู่ทางนี้มาบอกเราอย่างงี้นะเอ้ยนั่นมันถูกรู้ตัวรู้มันอยู่ทางนี้อ๋อไม่ให้ไปดูตัวนั้นให้ดูตัวนี้ได้เคล็ดวิชาสุดยอดแล้วะเข้ากุฏิได้นะตกค่าดีใจแล้วไหว้พระสวดมนต์เสร็จทําวัดเสร็จแล้วเข้ากุฏิอีกุฏิเลยภาวนาวันนี้ได้ไม้ตาย จับไปที่ตัวรู้พอจับไปที่ตัวรู้ปุ๊บเกิดตัวรู้ซ้อนขึ้นมาอีกตัวรู้เก่าเป็นตัวถูกดูพอเรารู้ตัวรู้ใหม่นะตัวรู้ใหม่กลายเป็นตัวรู้อีกตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งมารู้อีกแล้วซ้อนไปเรื่อยๆซ้อนซ้อนซ้อนซอนไปเรื่อยะอุ้ยดูจนนระทั่งถึงเช้ารู้ว่าผิดละจิตนี่นะฟุ้งซ่านไปหมดแล้ะจิตซ้อนซ้อนซอนไปเรื่อยๆมาเห็นมันจะเดินปัญญาตรงไหนเลย โมโหเลยนะตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้บวชหรอกเดี๋ยวสว่างเมือ่อไหร่จะไปเล่นงานหรอก็คือนะให้อยู่กุฏิติดกับท่านนะออยู่กุฏิติดกันประตูกุฏิตรงกันเลยเ ป, เป็นกระต๊อบเล็กๆกุฏิไม้เช้าขึ้นมานะเราผลักประตูออกมาจะไปเอาเรื่องท่านก็ผลักโครมออกมาเหมือนกันแล้วเล่นเราก่อนเลยให้ยภาวนาไงอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยเนาะ บอกอา้าหลวงพ่อมาสอนผมให้จับตัวรู้ไม่ได้สอนซะหน่อยะแค่บอกว่าไม่ให้จมลงไปในสิ่งที่ถูกรู้ผมแมมก็ไม่บอกงั้นนาะตั้งแต่นั้นนะเวลาพอภาวนาปุ๊บจับตัวนี้ทุกทีเลยไม่ยอมปล่อยเลยนะจับแล้วทรงเด่นดวงอยู่ทั้งวันแล้วไม่ออกเลยนะอย่าไปทํานะเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปมองตัวรู้นะ แค่แค่ว่ามันมีตัวหนึ่งเป็นคนดูตัวหนึ่งเป็นผู้แสดงหลวงพ่อนะเคยสงสัยว่าจะดูตัวไหนตัวที่แสดงอยู่แสดงขึ้นมากลางหน้าอกเนี่ยสุขทุกข์ดีชั่วผุดขึ้นกลางอกเนี่ยอย้ตัวนี้น่าจะตัวทุกข์เพราะว่ามันทุกข์จริงๆพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์เราน่าจะรู้ตัวนี้ใหลวงพู่ดูให้ดูจิตจิตมันเป็นคนดูมันอยู่ข้างบนเหมือนมันดูลงมาเราจะดูตัวบนหรือจะดูตัวที่อยู่กลางอก สงสัยนะขยับจะถามหลวงปู่ดูละขยับขยับเอาไว้ก่อนเอาไว้ดูเองมีกันบ้านก็ถามอาจารย์หมดเลยนะอย่างนั้นไม่ไหวเรเรียนแบบเรียนติวเตอร์หน้ารามอะไรเงี้ะเมื่อไหร่จะเก่งเอาไว้ดูเองดูไปดูมาหลวงปู่ดุลมรณภาพไปเรียนกับหลวงปู่เทศนเคยขยับหลายทีนะว่าจะถามเอาไว้ดูก่อนหลวงปู่เทศมรณาภาพไปหาหลวงปู่สิมอีกนะหลวงปู่สิมก็มรณภาพ จนอาจารย์นี่ตายเรียบเลยนะอไม่ได้ถามสักทีใช้เวลานานมากเลยในการสังเกตตัวนี้มันเป็นกรรมฐานที่ยากมากเลยทำไมหลวงปู่ดูลสอนขัดกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าให้รู้ทุกหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตโอ้ยภาวนาต่างตายนะถึงเข้าใจตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ที่จริงเราไม่ได้ดูตัวไหนเลยเราไม่ได้เอาตัวนี้เราไม่ได้เอาตัวนี้ เห็นตัวนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นใจรักเห็นตัวนี้มันก็เป็นใจรักไม่ใช่เอาตัวใดตัวหนึ่งนะไม่ใช่เอาอันหนึ่งแล้วเกลียดอีกอันหนึ่งนะถ้าเอาอันหนึ่งเกลียดอีกอันหนึ่งไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็คือทุกตัวนั่นแหละเป็นใจรักนี่ตัวอย่าใช่พอวนาไปภวนาไปถึงจ <segundo> ุดหนึ่งนะก็จะค่อยเห็นโอ้หลวงปู่ดูลสอนตรงกับพุทธเจ้าเป๊้เลยที่ท่านบอกดูจิตดูจิตเพราะอะไร ตัวสุดท้ายที่เราจะเห็นว่าเป็นตัวทุกคือตัวจิตผู้รู้นั่นแหละที่ว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมักจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะถ้าพูดไปแล้วตรงไปตรงมาก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตมักนะไม่ใช่มักธรรมดาเป็นอรหัตมักเลยอย่างถ้าเราเห็นกายแจ่มแจ้งเนี่ยได้อนาคามีมักเราเห็นจิตแจ่มแจ้งมันเป็นอรหัตมักเพราะเห็นจิตว่ายังไงเห็นจิตว่าเป็นตัวทุกใช่ไหม พุทธเจ้าบอกให้ดูทุกตัวที่เห็นทุกยากที่สุดนะคือตัวจิตผู้รู้ดูให้เป็นตัวทุกยากที่สุดเลยแต่วันใดสติปัญญาแก่กล้าจนเห็นตัวรู้เป็นตัวทุกข์นะจิตจะปล่อยตัวรู้แล้วมันจะแปลสภาพเป็นธาตุเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาธาตุรู้ไม่เหมือนตัวรู้ตัวรู้มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมาแล้วก็เดี๋ยวเป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวหลงเดี๋ยวเป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวเพ่ง เดี๋ยวก็ถูกความปรุงแต่งฝ่ายชั่วเข้ามาเดี๋ยวก็ถูกความปรุงแต่งฝ่ายดีเข้ามาเดี๋ยวก็ถูกความปรุงแต่งว่างๆเข้ามาความปรุงแต่งมีสาัญฝ่ายชั่วฝ่ายดีฝ่ายว่างๆปรุงว่างๆก็เรียกอาเนญชาพิสังขารเนี่ยตัวรู้ยังยังตกอยู่ใต้ความปรุงแต่งเพราะฉะนั้นไม่พ้นมือมารนไม่พ้นอำนาจมารนตัวความปรุงแต่งนี่แหละชื่ออภิสังคารมาน ไอ้สังขารมันมีได้ก็เพราะมีกิเลสมันโดยเฉพาะอาวิชานะยังอยู่ตัวจิตนั้นะยังถูกทำลายอยู่ยังเป็นขันธมันอยู่นะเป็นขันธมันอยู่เวลามันชั่วขึ้นมันกลายเป็นเทวปุตตมันนะงั้นเราภาวนานะฝึกขึ้นมาให้จิตเป็นคนดูจิตจะเป็นคนดูได้ด้วยการรู้ทันจิตที่หลงไป ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ไม่สําคัญออกไปกวาดวัดก็ได้กวอดวัดไปนะจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ในเม่กวาดก็รู้นะยังมีเพลาวหนึ่งนะท่านอายุเยอะละท่านมาเรียนที่นี่ได้เดิมอยู่อเมริกาตอนนี้มาเมืองไทยไปอยู่เมืองเลยถึงหน้าหนาว เ, เนี่ยท่านจะมาที่เนี่ยอยู่หลายเดือนหลวงพ่อบอกให้ท่านมีจิตเป็นผู้รู้นะท่านทําไม่เป็นทําไม่ได้อ่ะ ท่านคิดไม่เลิกวันหนึ่งอ่ะท่านไปกวาดวั ด, ดไปกวาดวัดแล้วท่านเห็นว่าจิตของท่านน่ะมันไหลยกลงไปอยู่ในใบไม้ทันทีที่ท่านเห็นว่าจิตไหลลงไปที่ใบไม้นะจิตผู้รู้ก็เกิดขึ้นเลยท่านบอกว่้มันง่ายนิดเดียวเองนะแค่รู้ทันจิตที่ไหลไปจิตไหลไปอยู่ในใบไม้ก็ได้จิตไหลไปคิดก็ได้รู้อันแดอนหนึ่งถ้ารู้ว่าจิตไหลจิตรู้ก็จะเกิด เมื่อน lawyers, ถ้าเมื่อไหรนะรู้ว่าจิตไหลไปนะรู้ว่าจิตหลงไปนะจิตรู้จะเกิดไม่ต้องบังคับให้จิตรู้เกิดนะแล้วเมื่อจิตรู้เกิดก็ไม่ต้องรักษานะเกิดได้ดับได้ช่างมันไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ของของเราแต่เวลามันเกิดขึ้นมาเราจะรู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วพอมันดับไปเราก็จะหลงต่อไปอีกทั้งวันมีแต่รู้แล้วก็หลงรู้แล้วก็หลงที่จริงทั้งวันมีแต่หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะตื่นนอนมาก็หลงก่อนนะแล้วก็รู้ว่าหลง หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อย่างนี้ทั้งวันเลยมันดีดีกว่ารู้อย่างเดียวที่เราฝึกให้มีตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเอาตัวรู้เราฝึกให้มีตัวรู้เพื่อจะมาเดินปัญญาเราจะเห็นเลยว่าจิตที่หลงก็ไม่เที่ยงดับไปแล้วเกิดจิตที่รู้ขึ้นแทนจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ดับกลายเป็นจิตที่หลงไปอีกนี่จิตทุกชนิดทั้งจิตรู้ทั้งจิตหลง ล้วนแต่ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่ได้สั่งให้หลงอยากจะไม่หลงได้ซ้ําไปแต่มันหลงได้เองนี่มันเป็นอนัตตาจิตรู้ชอบมันอยากให้มันอยู่นานๆมันก็ไม่อยู่เดี๋ยวมันก็หลงอีกนี่มันก็เป็นอนัตตางั้นการที่เรามีจิตรู้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเอาจิตรู้แต่เรามีจิตรู้เพื่อจะเห็นว่าจิตมันไม่ได้มีแบบเดียวจิตหลงก็มีจิตรู้ก็มีจิตหลงก็มีจิตรู้ก็มี สุดท้ายปัญญามันจะเกิดเมื่จิตทุกชนิดแหะเกิดเราดับจิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวเรานี่ภาวนาเพื่อสิ่งนี้นะและตรงที่มีจิตรู้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะรู้สึกร่างกายกับจิตโค่นอ่านกันร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึก listener, สุขทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้ความสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้โลภโกรธหลงก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เท่านั้นเองะเนี่ยที่มีจิตรู้ขึ้นมาก็เพื่อจะมาเจริญปัญญา เห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราความสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราความดีความชั่วทั้งหลายก็ไม่ใช่เราส่วนตัวจิตเนี่ยเราเห็นว่าจิตเองก็ไม่ใช่เราจิตเองก็เกิดดับนะโดยมีจิตรู้บ้างจิตหลงบ้างจิตรู้บ้างจิตหลงบ้างบางคนก็มีอีกชนิดหนึ่งจิตเพ่งเผลอไปหัดใหม่ๆเนี่ยนะจิตจะหลงถ้าคนไม่เคยหัดเนี่ยจิตมีแบบเดียวคือจิตหลงหลงหลงหลงหลงหลงดีบ้างหลงชั่วบ้าง แต่พอเรามาหัดภาวนานะหัดใหม่ๆเนี่ยจิตหลงไปแล้วก็เกิดจิตรู้จิตรู้เกิดปุ๊บก็เกิดจิตเพ่งควัวจะหลงอีกหรือจ้องเราไว้ก็จะกลายเป็นว่าหลงไปรู้แล้วก็เพ่งหลงรู้แล้วก็เพ่งวันๆนุวนอย่างเงี้ยแต่พอเราฝึกชํานาญนะมันจะไม่เพ่งมันจะเลิกเพ่งมันจะเหมือนหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ฝึกอยู่แค่นี้กระดิกแค่เดียวหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นิดเดียวนะ ถ้าฝึกไปเต็มฟูมนะมันจะไม่มีคำว่าหลงนะมันจะเป็นาธาตรู้ขึ้นมาไม่หลงาธาตรู้นี้ไม่ต้องรักษานะไม่ต้องรักษามันบริบูรณ์อยู่ในตัวของมันเองไม่มีอะไรเข้ามาปรุงได้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งว่างไม่เข้ามาปรุงาธาตรู้นี้ไม่ไดนะ้เป็นอิสระขึ้นมางั้นไปฝึกนะไมื่งันเรียนที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเป็นภาพรวมเลยถ้าเรารู้หลักแล้วเราฟังกรรมฐานไม่ว่าฟังใครพูดเราจะไม่งง แต่ถ้าไม่รู้หลักในยจะงงมากเลยเพราะทุกคนบอกว่าตัวเองฝึกมีปัสสนากรรมฐานฝึกสติปัฏฐานฝึกภาวนานะอ้างตำราดเดียวกันทุกคนเลยบางคนนะเมื่อก่อนเนี้ยสอนสอนใหม่ๆเนี่ยองค์เนี้ยสอนเหมือนหลวงพ่อเปียบเลยเนะ <c oughs> เหมือนเปียบเลยเหรอ <c oughs> ไม่ได้มีสติเลยเห็นไหยแต่ประโยคมันเหมือนกัน <c oughs> รู้สึกตัวไว้สิเวลาสอนรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะย่เี้ มันไม่ได้รู้สึกนะเงี้นโดยภาษาเนี่ยอย่าเชื่อจับหลักให้แม่นแนละ้วไปพอนาวแล้วเราจะรู้ด้วยตัวเราเองแต่อย่าพูดมากนะลู้สิธ์รุ่นหลังเนี่ยดีรูกสิธิ์รุ่นแรกไม่ดีลูกสิธิ์รุ่นแรกๆปากมากนะไปพอรู้จากหลักจากหลวงพ่อนะดูได้นิดเดียวอะ่ะยังไม่ทันจะเห็นแจ้งอะไรนะจำหลักได้เข้าวัดโน้อนออกวัดนี้เข้าสานักโน้นสานัก น, น, น, กนี้ไปว่าเขาอะ่ะ ว่าภานาอย่างนี้ไม่ถูกนะหลวงพ่อประโมทว่าไม่ถูกนะหลวงพ่อประโมทไม่ได้รู้เรื่องเลยมันไปว่าเอาเองนะสร้างศัตรูให้เราสัเทียบเลยางหลังๆนี่ดีไม่ไปวุ่นวายสำนักอื่นหลวงพ่อพบอย่างหนึ่งนะพวกที่วิ่งเข้าวิ่งออกหลายสำนักเนี่ยไม่เคยมีใครประสบความสําเร็จสักคนเลยจนะอยู่สำนักใดสำนักหนึ่งไปเลยนะแล้วทําให้ถูกหลักอนะ่ะมันมีที่ถูกในแต่ละแห่งก็พอจะมีอยู่บ้างนะ อย่างวัดวัดป่าวัดอะไรอย่างนี้พอมีไม่ใช่ไม่มีนะแต่ถ้าเป็นสำนักที่มันผิดหลักไปเลยนะยังไงมันก็ไม่มีจ้องจ้อไม่ให้คิดไม่ให้คิดห้ามคิดห้ามคิดนะยังไงมันก็ไม่มีนะหรือทําใจให้ว่างว่างหรือทําใจไปอยู่ข้างในนะอ๋อยังไงมันก็ไม่ได้นนะนะ แต่ว่ามันเป็นความรู้เฉพาะตัวนะอย่าไปยุ่งกับคนอื่นถ้าไปดูคนอื่นแล้วเราจะดูของตัวเองไม่ออกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะอย่าไปยุ่งกับคนอื่นนะดูของเราเองปลอดภัยที่สุดตั้งใจรักษาสี้าทุกวันฝึกในรูปแบบแบกบเวลาไว้เลยถ้ามีเวลามากก็ใช้มากหน่อยถ้าไม่ค่อยมีเวลาวันหนึ่งสิบห้นาที ทำในรูปแบบนี้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปจะได้ตัวรู้ที่เข้มแข็งพอเรามีจิตเป็นผู้รู้แล้วเราเดินปัญญาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปอย่าไปเลี่ยงการกระทบให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แต่กระทบอารมณ์แล้วกระเทือนขึ้นมาในใจให้รู้ทันกระทบแล้ ว, วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้รู้ทัน เมื่อเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นแล้วนะถ้าจิตไม่เป็นกลางให้รู้ทันจิตอีกทีหนึ่งเช่นมีความสุขจิตพอใจให้รู้ว่าพอใจไม่ใช่แค่รู้ว่ามีความสุขจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่พอใจในความทุกข์ให้รู้ว่าจิตไม่พอใจนะอย่างนี้ถือจะเรียกว่าเราภาวนาเป็นจริงๆลาพังเห็นว่ากําลังมีความสุขกําลังมีความทุกข์มีความสุขแล้วพอใจในความสุขไม่เห็นยังใช้ไม่ได้ มีกิเลสขึ้นมากําลังเกลียดกิเลสอยู่เนี่ยไม่เห็นว่าเกลียดกิเลสอยู่ยินร้ายกับกิเลสเนี่ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะงั้นทีแรกมหา ร, รู้สภาวะไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบอารมณ์แล้วความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นให้รู้เมื่อความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นแล้วนะถ้าจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายก็ให้รู้ทันจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางรู้สภาวะด้วยความเป็นกลางอันนี้กลางด้วยสติมีกลางด้วยสตินะกลางด้วยสมาธิกลางด้วยปัญญา อาศัยกลางด้วยสติแล้วเห็นรูปนามทางานไปเรื่อยเห็นใจรักไปเรื่อยสุดท้ายปัญญาเกิดมันจะเห็นว่าทุกสิ่งอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายอะไรๆอยู่ชั่วคราวแล้วหายหมดเลยมันจะเห็นอย่างนี้เมื้นต่อไปความสุขเกิดขึ้นจิตไม่หลงยินดีเพราะรู้ว่าอยู่ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่ยินรายเพราะรู้ว่าชั่วคราวเนี่ยเป็นกลางด้วยปัญญา เมื่อจิตเป็นกลางด้วยปัญญาจิตจะหมดความดิ้นรนปรุงแต่งจิตจะเข้าไปสัมผัสพระนิพพานได้นะจะอริยมรรคจะเกิดขึ้นเมื่อศีลสมาธิปัญญาแก่กล้าพอแล้วเอาไปกินข้าวไป